172. เพลธะกัดจานวัตถุว่าด้วยพรามเพลธะกัดจานะถวายน้ำอ้อยงบ 284. ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอันทกะวินทะชนบทตามพระอัฏยาสายัยแล้วเสด็จจาริกไปทางกรุงราชฤๅษ พร้อมด้วยภิกษุจำนวน 1,250 รูปสมัยนั้นพรามเพลตถกัจจานะเดินทางไกลาจากกรุงราชครไปยังอันทกะวินทะชนบทพร้อมด้วยเกวียนห0 0ร้อเล่มล้วนบรรทุกน้ำอ้อยงบเต็มพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเขาเดินมาแต่ไกล จึงเสด็จแวะข้างทางประทับนั่งณที่ควงไม้ต้นหนึ่งลำดับนั้นพราหมณ์เพลธ ะ, ะกัจจานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรพราหมณ์เพละถะกัจจานะผู้ยืนอยู่ณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์ปรารถนาจะถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุรูปละหนึ่งม่อพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคกรัสว่ากัจจานะถ้าอย่างนั้นเธอจงนำน้ำอ้อยงบมาม่อเดียวเท่านั้นพราหมเพลธ ะ, ะกัจจานะ กราบทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้วนําหม้อน้ําอ้อยงบมาเพียงหม้อเดียวเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์นําหม้อน้ําอ้อยงบมาแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า กัจจานะถ้าเช่นนั้นเธอจงถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพรามเพรท ะ, ะกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพระองค์ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วพระพุทธเจ้าข้าและน้ำอ้อยงบเหลือเป็นจํานวนมาก ข้าพระองค์จะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงถวายน้ําอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการเถิดพราหมณ์กราบทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้วได้ถวายน้ําอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ ถวายน้ำอ้อยงบแก่ภิกษุทั้งหลายตามต้องการแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงนำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำเถิดพรามกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้ว ได้นำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำภิกษุบางพวกบรรจุน้ำอ้อยงบเต็มบาตรบ้างเต็มหม้อกรองน้ำบ้างเต็มถุงย่ามบ้างพรามเพรทะกัดจานะนำน้ำอ้อยงบประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้นำน้ำอ้อยงบ ประเคนภิกษุทั้งหลายให้ฉันจนอิ่มหนำแล้วแต่น้าอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดินเถิดพรามเพละถะกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้ให้น้ำอ้อยงบ แก่พวกคนกินเดนแล้วกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนแล้วแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอจงให้น้ำอ้อยงบแก่พวกคนกินเดนจนพอแก่ความต้องการเธอพรามเทลท ะ, ะกัจจานะ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 มาให้พวกคนกินเดนกินจนอิ่มหนำเถิดพรามเพลทถกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้วได้นําน้ําอ้อยงบให้พวกคนกินเดนกินจนอิ่มหนำแล้วคนกินเดนบางพวกบรรจุน้ําอ้อยงบเต็มกระป๋องบ้างเต็มหม้อบ้างห่อเต็มผ้าขาวปูลาดบ้างเต็มพกบ้าง พรามเพลสะกัจจานะนำน้ำอ้อยงบเลี้ยงดูพวกคนกินเดนให้อิ่มหนำแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ได้นำน้ำอ้อยงบเลี้ยงดูพวกคนกินเดนจนอิ่มหนำแต่น้ำอ้อยงบยังเหลืออยู่มากจะปฏิบัติอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนกัตจานะทั่วโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั่วทุกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เราไม่เล็งเห็นผู้ที่บริโภคน้ําอ้อยงบนั้นแล้วจะย่อยได้ดียกเว้นตถาคตหรือสาวกของตถาคตเธอจงทิ้งน้ําอ้อยงบนั้น ในที่ปราสากของเขียวหรือในที่ที่ไม่มีตัวสัตว์พรามเพลธัดกัจจานะกราบทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วได้เทน้ำอ้อยงบลงในที่ไม่มีตัวสัตว์น้ำอ้อยงบนั้นได้เดือดพุ่งส่งเสียงฉีฉีฉีฉีพ่นไอพ่นควันขึ้นเหมือนผานที่ร้อนโชนตลอดวัน ที่บุคคลจุ่มลงน้ำย่อมเดือดพุ่งส่งเสียงดังฉีฉีฉีฉีทันใดนั้นเขาสลดใจเกิดโลมาชาติชูชันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพีกถา คือทรงประกาศ 1. ทานกถาสศีลกถา 3. ส, สัก ข, ขะกถา 4. กามาทีนวะกถา 5. เนคข ม, มานิสังสกักถาแก่พรามเพรฐะนั้นผู้นั่งอยู่หน้าที่สมควรเมื่อทรงทราบว่าพรามเพรฐะนั้นมีจิตควรอ่ อ, อน ปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสจึงทรงประกาศสามุ ก, กังสิกะธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคือทุก์สมุ ท, ทยัยนิโรธมักธรรมจักสุอันปราศจากทุลีปราศจากมนถินได้เกิดแก่พราหมณ์เพลสกัจจานะนะอาสนะนั้นแหลว่วา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 จนถึงกรุงราชฤกษทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรุงราชฤกษนั้นสมัยนั้นกรุงราชฤกษมีน้ําอ้อยงบมากภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตน้ําอ้อยงบแก่ภิกษุผู้เป็นไข้เท่านั้น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 แกผู้ไม่เป็นไข้